บ้านของเราหรือว่าสถานที่ที่เราคุ้นเคยนะซึ่งส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นเมืองที่มีแสงสีนะมีผู้คนมากมายบ้านที่เร า, เาพำนักนะก็มีหลายคนอยู่ด้วยกันถัดจากบ้านเรานะก็อาจจะเป็นบ้านของคนใกล้ชิดคุ้นเคยนะซึ่งแตกต่างจาก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 สิงสาราสัตว์นะก็ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรกับเราถึงแม้ว่าอาจจะมีงูงเหี้ยเขลียวขออยู่บ้างอาจจะมีตะขาบบ้างมาแมลงปองบ้างนะแต่ว่าก็น้อยเต็มทีและสัตว์เหล่านี้ก็ไม่น่ากลัวเพราะที่จริงเขากลัวเรามากกว่านะเขาก็พยายามหาทางหลบหลีกให้ไกลจากพวกเราหากว่จะต้อง มัจะเอยกันนะเขาก็จะเป็นฝ่ายที่หลีกเรานะอย่างรวดเร็วมากกว่าที่เรานะจะทันหลีกเขาสิ่งที่จะรบกวนเรานะจริงนะก็คงได้แก่ยุงนั่นแหละนะอันนี้เรียกว่าจะรบกวนเราได้นะมากที่สุดนอกนั้นเนี่ยไม่ค่อยมาข้องแวะกับเราเท่าไหร่งูเอย้ยตะขาบแมลงป่องนะ นี่เขาไม่ค่อยมาค่องแวะกับเราหรอกไอ้ที่มาค่องแวะก็ประจําเนี่ยคือยุงนั่นแหละซึ่งมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนอนในที่พักเรา จ, จะบางคนก็แบบไม่คุ้นเคยก่อนนอนคนเดียวนะแต่ก็ให้ลองนะสัมผัสกับความวิเวกนะเวลาที่เรานอนคนเดียวบ้างมันไม่มีอะไรที่น่ากลัวนะแม้ว่ารอบ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 และใจที่ชอบปรุงแต่งนี่แหละนะที่เรียกว่นน่ากลัวที่สุดพ่อแม่แต่อยู่ในมุง้งแม้จะอยู่ในกุฏิที่พักปลอดภัยจากสัตว์ร้ายเนี่ยก็อาจจะยังภวาไม่มีอะไรจะไม่มีอะไรมาคุกคามเราแต่เพราะจิตที่มันปรุงแต่งนี่แหละได้ไหมทำให้เรานอนไม่หลับําทำให้เราฝันร้ายแล้วก็ทำให้สิ่งต่างๆที่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 เสร็จแล้วก็คมันก็มันก็ขุกขักอยู่ตรงระเบียงนั่นแหละท่านตกใจมากเพราะเสียงแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรอื่นไม่ได้นะนอกจากหมีก็รีบล็อกกุฏิล็อกประตูกุฏิใจท่านก็สั่นเลยนะเพราะว่าไม่เคยเจอหมีแล้วก็ไม่รู้ว่าจะรับมือกับมันยังไรจะหาอาวุธอะไรที่อยู่ในกุฏิก็ไม่มี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 พอท่านเดินลงจากกุฏินะก็ผ่านาราวป่าก็ไปเหลือเห็นก้อนสบู่ของท่านเนี่ยมันไปตกอยู่แต่เท่านั้นแหละท่านก็พินิจดูนะสบู่เก็บสบู่มาแล้วพินิจดูมันมีรอยนะแต่มันเป็นรอยหนูกัดท่านก็เลยรู้วอ๋อที่แท้มันไม่ใช่หมีหรอกมันเป็นหนู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 เขียวเลยนะที่จริงก็เพิ่งาตายได้แค่วันสองวันตอนนั้นก็คําและก็เผาเผาเสร็จท่านก็คุยกับชาวบ้านสักพักจนมืดท่านก็จะกลับวัดชาวบ้านก็บอกว่าจะขับรถมาส่งท่านบอกไม่ต้องหรอกเดินกลับวัดเองได้มนเดินไม่ได้ครึ่งทางนี่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 จูจ่ๆก็เห็นอะไรผิดสังเกตก็มองไปที่สาลาไม่มีอะไรแล้วก็เดินข้ามสะพานเนี่ยแล้วก็เดินขึ้นหอตายหอตายแต่ก่อนมันไม่อยู่นี่แต่ขอไตมันอยู่บนเขากุติท่านเลยหอตยไตเป็นหน่อยใกล้ๆกุฏิอังกตมาท่านเดินไปก็เสียวนะเสียวข้างหลังก็ต้องหันมามองทั้งวันไม่มีใครอมีท่านคนเดียวพอขึ้นมาหอไตท่านก็เหลียวเห็นแวบบ เหมือนกับว่าเห็นอโยมคนที่ตายเนี่ยนะมายืนอยู่ตรงระเบียงนะหอไต่แต่ดูที่เอาไม่มีนะตอนเนี้ยชักเสียวแล้วเอตอนนี้เริ่มกลัวแล้วกลัวมากเลยระยะทางจากหอไต่เนี่ยไปกุฏิท่านก็ประมาณห้าสิบเมตรหรือไม่ถึงร้อยเมตรอนะโอ้ท่านกลัวมากแล้วก็รีบจำจำจๆนะจนกระทั่งพอถึงทางแยกเข้ากุฏิท่านท่านก็นะก็รีบเลี้ยวนะ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 นะก็กลายเป็นว่าไม่ใช่ผีหรอกนะที่ดึงย่ามท่านเอาไว้แต่เป็นเพราะย่ามท่านมันไปติดอยู่กับแง่งไม้นะท่านนึกว่าผีนะโว้ยหลงกลัวต้องทั้งคืนเลยนะไอแง่งไม้เนี่ยนะมันไปยึดนะกับอ่าย่ามของท่านเอาไว้มันไปขัดนะแต่ท่านนึกว่าผีมาดึงเนี่ยก็เคลคเขวตัวเองหโหนงงยีง้นะ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 คนที่ฆ่าตัวตายนี่ไม่ใช่เพราะว่ามีภัยคุกคามจากภายนอกนะแต่มันเกิดจากไอ้ความคิดปรุงแต่งสารพัดต่างๆที่ทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไรคุณค่าจิตที่มันจมอยู่ในความผิดหวังซ้ำซากกลายเป็นซึมเศร้าแล้วก็หลุดจากความทุกข์นั้นไปพ้นภัยอย่างอื่นนี่เรายัางพอหนีได้นะนะภัยจากผู้ร้ายเราก็สร้างกาแพง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 จากไปเนี่ยนะท่านเปรียบจิตว่าเหมือนกับนครจริงอันนี้พระเจ้า ก, ก็เปรียบนะว่าจิตเหมือนกับนครท่านแต่งหนังสือเรื่องจิตตานครไอ้นอครนี้เนี่ยนะมันจะมีความมั่นคงปลอดภัยได้ก็เพราะมีสติเนี่ยช่วยรักษาประตูเมืองเอาไว้นะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพยายามเจริญสติให้มากนะสติเราก็จะมีเครื่องป้องกัน